เทศนาหรือธรรมบัญญายช่วงค่ำเพื่อส่งเสริมให้ชาวพุทธอย่างพวกเราทั้งหลายได้ยกระดับความรู้ความเข้าใจเพราะว่าวันวิสาขะเป็นวันตัดสรู้ซึ่งเป็นเรื่องหัวใจสำคัญที่สุดวันประสูติวันดับขันของท่านก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ที่เกี่ยวกับเราโดยตรงเมื่อท่านรู้แล้วเรานับถือท่าน แล้วเราไม่ได้รู้อะไรตามท่านมันจ้างแคล์ดูไงๆนะสมมุติว่าเรานับถือครูเห็นว่าครูเป็นท่านผู้รู้แล้วเราก็ไปโรงเรียนอยู่กับครูแล้วเราไม่รู้อะไรตามที่ครูรู้เนี่ยมันเหมือนกับเราไปอยู่แบบอะไรอยู่เปล่าแต่เปล่าตายเปล่าเพราะไม่ได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้ในชีวิตเราได้ เมื่อวันนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดมันอยู่ที่รู้ควนมตัดสรู้รู้ว่าทุกมีสภาพอย่างนี้เหตุของคามทุกมาจากข้อนี้ปฏิบัติผิดอย่างนี้คว า, ามอยากคว า, ามยึดมันผลักดันให้เรานั่งอยากนั่งยึดจนเป็นทุกอยากไม่สมอยากก็ทุกยึดไม่อยู่ก็เป็นทุกเราหยิบอะไรเนี่ยแล้วมันพลัดหลุดมือไป ทำไม่แน่นแล้วแต่มันหลุดไปเช่นกำทองคำของมีค่าลุดมือละใจหายแวบเลยยิ่งเป็นลูกรักคนรักตกน้ำดึงกันเยอะกันอยู่เนี่ยถ้าเขาหลุดมือเมื่ อ, อไหร่เราใจหายเลยใช่ป่าเพราะฉะนั้นอ๋อทุกข์มันมาจากเราอยากให้เขาอยู่กับเรา น, นานๆแต่ยึดเขาไม่อยู่ไอ้ที่มันออกตะกรายแทงกันเนี่ย มันอะอยากให้อีกคนนี้อยู่กับกูนานๆนแต่ยึดให้มันอยู่มันยอมอยู่ไหมมันมาขอเลิก ต, ตะกายแทงแต่ก็ให้การว่ามันล้มทับตะกายเองแต่เราดูคลิปแล้วมันจ่วงเอาจ่วงเอาไม่ใช่เอาสรุปว่าเราไม่รู้ซะเลยหรือว่าอะไรเป็นเหตุให้เราทุกข์แล้วเราไม่รู้เลยเวลาทุกข์ดับทุกข์เกิด ไม่เคยเอามาเทียบเคียงว่าอย่างไหนสบายกว่ากันอย่างไหนเราควรจะทำให้มันเราว่าไปอยู่ใกล้ไฟนี่แหละายทุกดับแต่ฝายทุกเกิดไปอยู่กับใครกันช่างมันวันนี้มาวัดใครยังเอาความทุกมานั่งเป็นทุกในโบสถ์นี้ด้วยกลับไปถึงบ้านก็เอาโรงพยาบาลบาเช็คปศศระสาทหน่อยมันไม่ไหวแล้วแหละมาอย่างนี้ยังนั่งเป็นทุกอีก มันจะเหลือที่ไหนให้เป็นสุขได้แล้วต้องรู้ไหมว่าข้อปฏิบัติที่กำจัดทุกข์หรือลดทุกข์หรือทำให้ทุกข์ไม่เล่นงานเราหนักเกินไปไคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมันรู้สึกว่าทุกเล่นงานมันหนักเกินไปอยู่ไม่ไหวแล้วตายดีกว่าคนอย่างนั้นเขาเรียกคนไม่รู้เลยไม่มีการรู้ทั้งที่พุทธเจ้ารู้เลย แต่คืนนี้จะบอกวิธีบ่มอบลมเพาะให้ความรู้งอกงามโยมคนจะเพาะถั่วงอกให้งามคนจะเพาะพืชพันุขยายพันุ์ให้งอกงามมากจํานวนต้นและผลมันก็ต้องมีวิธีเพาะแต่คนไม่รู้วิธีเพาะมันจะได้ขยายพันธุ์ในงอกงาม เรเก็บใบผลนั้นยากเนี่ยโยมนั่นคืนนี้เราก็มาทำเรื่องนี้กันมาปรึกษามาคุยมาฟังมาเล่ากันสู่ว่าอะไรอบรมบ่มเพาะให้คนถึงขั้นตรัสรู้หรือรู้ได้รู้แจ้งเห็นจริงท่านเรียกสิ่งนั้นว่าโพดชงโพดชงแปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้ หรือองค์ประกอบให้เกิดการตัดสรุปเติมภาษาอังกฤษเขว่าไงแฟกเตอร์หรืออะไรใช่ปะเราจะทําอะไรให้สำเร็จเนี่ยไม่มีเครื่องมือไม่มีองค์ประกอบไม่มีส่วนที่ตัวช่วยอะสมัยนี้เขาเรียกตัวช่วยใช่ปะถ้าไม่มีตัวช่วยมียานักมวยนักกีฬาต้องมีโค้ดมีอะไรเป็นตัวช่วยติวใช่ปะ เราจะบรรลุหลุดพน้นรู้เรื่องหลุดพน้นจากความทุกข์เราก็ต้องหาตัวช่วยตัวช่วยที่ทำให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสาวกบรรลุธรรมมีเจ็ดข้ออา้าวท่นนี้แต่ดูหนังดูละครและดูเกือบสว่างโดยน้องคนนั้นมันแย่ไหมมันไปทำลายสติทำลายโพชงข้อที่หนึ่งเลย ที่มันขับรถไปชนจักรยานตายสามศพมันไปกินเหล้าที่เทคพับรับบาแล้วขับกับตีสี่เป็นนักศึกษานะนักศึกษานี่มันน่าจะมีความรู้กว่าคนธรรมดาหมแต่ทำไมมันโง่าทาเรื่องม่เหมือนคนไม่มีความรู้เป็นผู้หญิงเป็นนักศึกษาเที่ยว ก, กินเหล้าดึกดืน่นขับรถอาวหลับ มันขาดการอบรมบ่มเพาะธนุธนหนอมโพธชงองคที่หนึ่งท่านเรียกว่าสติสัมพชงมีสำนวนในพระไตรปีดอกลือภาษาพระเขาพูดกันว่าเมื่ออันบุคคลมาเจริญอบรมบ่มเพาะสติสัมพชงเจริญบริบูรณ์ดีแล้วอะไรจะเกิดตามมาประโยคนั้นคือจะทำให้วิชาและวิมุตเจริญงอกงามตามมา ถ้าบุคคลใดอบรมบ่มเพาะสติถนอมสติฝึกสติไม่ดื่มน้ำผานสติเขาก็จะเป็นคนทำให้วิ ช, ชาวิ ช, ชาก็คือความรู้ที่จะทำให้เขารู้เรื่องหลุดพ้นให้สมบูรณ์ทั้งวิ ช, ชาและวิมุติถ้าคนเราเนี่ยไม่เจริญสติยังโง่ไปดื่มน้ำผานสติอย่างไอ้น้องหญิง ที่เป็นนักศึกษาตอนนี้ก็บาดเจ็บแล้วถ้าหาไหายเขาก็อายัด ต, ตัวแล้วก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายของัวหน้าครอบครัวที่ตายใครก็ตามเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจงรักษาธนุธนอมอบรมบ่มเพราะฝึกฝนปฏิบัติกระทำให้สติอยู่กับเราให้อย่างมั่นคงยั่งยืนอย่าไปดื่มน้ำผ่านสติ นอกจากจะไม่รู้แล้วก็จะโง่จะตายเช่นสงกรานต์ปีใหม่เป็นวันดื่มน้ําผาลสติแห่งชาติได้ไหมแล้วก็เป็นวันตายมากที่สุดมันตรงกับวันวิสาขะหรือเปล่า่มันตรงคนละทางเลยถ้าวันวิสาขะไม่พูดเรื่องเจริญสติไม่รู้จักเอาสติผูกจิตติดอยู่กับหมายใจเข้าออก ดึงเราหายใจเขาลึกๆ ล, ล่อยเราหายใจออก ย, ยาวๆก็จะทำให้เราไม่เป็นคนเสียสติจะรู้สึกตัวตัวพร้อมจะออกจากบ้านจากช่องจะปิดประตูล็อกกุญแจรู้ล็อกรู้ปิดรู้ใส่กระเป๋าก็าจะไม่งอไปนั่งสับสนที่ทำงานกูว่ากูล็อกนะแต่เหมือนไม่ได้ล็อกเว้ยเดี๋ยวกูวขับรถเดีด๋วยวโทรศัพท์ไปสั่งคนปิดวุ่นวายคนอื่นเขา แต่ถ้ามีสติมันจะเป็นงั้นไหมออทีหลังจะออกจากบ้านจากช่องจะเป็นประตูล็อกกุญแจพุ่มพำบริกรรมฉนงปิดประตูล็อกกุญแ จ, จ, แจใส่กระเป๋าตบๆหน่อยใส่แล้วแน่นอนชัวร์ไปไมันก็จะไม่ไปสับสนสติคือจะสมบูรณ์แล้วยิ่งกว่านั้นอีกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านหลับด้วยอนาปานาสติท่านอยู่ด้วยอนาปานาสติ เนี่ยพอลังเขาไปใช้นะเวลานอนยังไม่หลับเนี่ยแล้วก็กำหนดลมหายใจแล้วบริกรรมเสริมอีกเวลาดึงลมหายใจเข้าก็บอกสุกๆๆุุพอปล่อยลมหายใจออกบอกสบายสบายสบา ย, บายแล้วก็สลีปหลับคืนนั้นจะหลับไม่ฝันร้ายไม่ฝันว่าตกต้นไม้ใครไร้ค่าทีเดียวนี้เรานอนบ้าขาดสติดูละคร อ, อินกับมัน นางเอกโดอนอิจฉายกขาจะถีบจอ่อแล้วนอนด้วยความเกลียดชังอ่ะเช้าตื่นมาปวดหัวมึนไปหมดเออเห็นพวกเจ้านอนสี่ชั่วโมงตื่นมาสดชื่นทำพุทธกิจได้ทั้งวันสอนพระสอนกษัตริย์สอนเทวนาสอนชาวบ้านไม่ง่วงเหงาหานอนอ่อนเพลียเพราะอะไรเพราะท่านอยู่ด้วยสติพวกเรานี่มีรู้เป็นบ้าอะไรต้งไปดื่มนม้ำผาลสติกัน อุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดเก้าสเอร์ซนเพราะน้ำผลานสติอีกสิบเอร์ซเท่านั้นเองที่เป็นอุบิเนตเบ็ดแตกอะไรพวกนี้แต่สติแตกอะไรที่สุดเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าเป็นชาวพุทธต้องหมั่นอบรมบ่มเพาะให้สติงอกงามไัยบูรณ์แล้วจะได้ส่งเสริมอบรมให้วิชาและวิมุติคือทั้งรู้เรื่อง ทั้งทำความหลุดพ้นให้แกตนเองได้มากที่สุดใครก็ติดหนี้ติดสินใครก็ติดคุกติดตารางใครก็ติดเหล้าติดยาใครก็ติดการพนันใครก็ติดเกมเราหลุดเราสมบูรณ์ได้หลุดสงสัยติดไอ้คนเนี้ยติดเกมเด็กเดี๋ยวนี้เกิดมาติดมากกว่าหลุดหรือหลุดมากกว่าติดหลุดเนี้ยเรียนหลุดคือก็ไม่ให้จบก็ดับ ให้หลุดไปก่อนพุทธศาสนามีคำคำเนี้ยเป็นคำสำคัญคือคำว่าวิมุตแปลว่าความหลุดพ้นหลุดรอดแปลว่าความรอดนั่นรู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดรอดจากการติดเหล้าติดยาติดคุกติดตลางติดหนี้ติดสินติดกงติดเกมติดบ้าบออะไรจนต้องกดทุกวันเนี่ยใช่ไหมเด็กคนหนึ่งนะโยม มันกดจนตามันเสียเลยก็มันเพ่งมันไม่เคยปิดจอดูใจมันเปิดจอจนลืมดูใจเลยนี่นั่นพวกเราถ้าอยากเป็นคนมีโอกาสได้รู้ได้หลุดได้พ้นกับเขาบ้างก็จงอบรมบ่มเพาะสติสัมโพชงให้ไพบูร์จเจริญงอกงาม แล้วก็จะส่งเสริมให้วิชาและวิมุตตอยู่กับเราได้สมบูรณ์มากกว่าคนอื่นถ่านเรารู้น้อยกว่าคนอื่นดันติดอะไรต่ออะไรมากกว่าคนอื่นชีวิตมันจะขมขื่นแค่ไหนอยากจะเรียกซั้นๆว่าชีวิตบัตรศพ<ม>ชีวิตคนติดกุก๊กชีวิตคนติดเหล้าติดยาชีวิตคนติดบันนันบอนชีวิตคนติดเกมจนฆ่าแม่มแม่ไปสะกิดลูกอายุสิบสี่ปี พอแล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไม่ได้นี่มันตีหนึ่งแล้วครั้งที่สองมันมีฝันแม่ตายพี่สาวมาช่วยฟันสะอาดอีกตอนนี้มันติดคุกอยู่พอติดเกมแล้วไปติดคุกแม่ห้ามมันอย่างนี้มองแม่เป็นมานโหุดใจเอาละสรุปว่าถ้าเราได้เจริญพจนชงข้อแรกคือสติสัมพจน์ ความระลึกได้ความระลึกได้บ่อยๆในกิจที่ควรทำและทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำอย่างวันเนี้ยเรามาทำอะไรกันบ้างชาวพุทธไปจะมาเวียนเทียนแล้วกลับบ้านเป็นชาวพุทธจิ้มดูดมาวัดแป๊บกลับมันจะได้อะไรบางคนเก็อยู่เป็นแม่ข่าวสองวันเรามีครอบครัวรู้แล้ว มันต้องถูกครัวครอบบ้างแต่มันต้องรู้จักมุดออกมาบ้างไม่ใช่ปัญญาอ่อนมีครอบครัวแล้วครัวครอบมิดพระพุทธเจ้าก็มีครอบครัวไหมท่านก็มีไหมพระหลายลูกท่านก็เคยมีครอบครัวแต่ท่านก็ไม่ให้ครัวครอบท่านรู้จักมุดรู้จักรอดออกมาทําประโยชน์ให้กิจชีวิตปัญญาณเพื่อจะได้เป็นมนุษย์ที่อัพเกรดระดับความเป็นมนุษย์ที่สูงประเสริฐเอาข้อที่สอง ธรรมะวิจัยสัมโพุท์ชงคือธรรมชาติแห่งความเป็นคนชอบวิจัยนักวิจัยนักสอดสอ่องสืบค้นหลักธรรมต่างๆการวิจัยหรือค้นฟ้าหลักธรรมนำมาพิจารณานำมาใครครวนตรึกตรองนึกดูรอบคอบตันที เหตุตรงนี้ทำแล้วมันจะออกผลเป็นอะไรถ้าคนมีธรรมวิจยะมันจะไม่เกิดเรื่องงมงายไหนถามพวกเราทีระหว่างหลักกับฤทธิ์เราควรชอบอะไรมากกว่ากันเหงื่อกับน้ำมนต์เนี่ยอันไหนน่าชอบมากกว่ากันถ้าพุทธถ้าจะแก้จนเนี่ยเหงื่อกับน้ำมนต์เนี่ยอันไหนแก้จนได้ดีกกว่ากัน น้ำมนเรื่องลมลมแ้งแร ง, แรงมันโนเอาอีกรถแล้วจะเป็นยางงั้นรถก็จะได้อย่างนี้รถมากๆหัวแะเป็นวัดหา ก, กินไม่ได้จนหนักพเดิ้ใครเขามีตัวสินค้าอะไรมาโฆษณาโปประดับเราอย่าเพิ่งรีบตะ ก, กรบซื้อเป็นเหยื่อเขาทำไมไอ้ตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยยม เราคิดที่ว่าไอ้คนอุ้มตุ๊กตากับไอ้คนขายตุ๊กตาใครรวยก่อนใครรวยก่อนยเยอะ อ, อย่าเชื่อว่าเพราะมันเป็นพวกดาราดาราปัญญาอ่อนก็เยอะใช่ไหมแล้วสังเกตไหมพวกดาราเนี่ยนะเขาไม่ไปวัดที่สอนหลักทำเขาชอบไปวัดที่เป็นฤทธ์เจิมเศษอะไรได้เงี้ยจะไปวัดท่าไม้มาไป วัดชนแกไม่มีดร า, ามาตะคุณข้วัด น, นี้ห้หลักไม่ได้ให้ฤทธิ์เก้าชาวพุทธอย่าพลัดหลักแล้วเ่ยวคลมหาฤทธิ์วินิจฉัยดียวกาลงตาโงโงๆที่ถูกจับศึกดันพาไปคำหาซากศพผีตายโงผีตายต้องกรมผีตายลอยน้ำเอามาเสกขอหวย ญาติพี่น้องก็ไม่พอใจกขก็ไปแจ้งความจับลงตาถูกจับสึดเนี่ยพระพัดหลักฝักมือหายอมให้มาค้นหาฤทธิ์แล้วก็มีคนช่วยลงตาไปขุดศพด้วยกันนั้น ก, ก็โดนข้อหาใครก็ชวนทาอะไรพุทธเจ้าให้หรือหลักสองอย่างอย่าเพิ่งรีบรับให้คนดูก่อนถ้ารับไปแล้วมันได้หรือเสียอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธ ถ้าปฏิเสธแล้วเผื่อเรื่องดีเราเสียโอกาสถ้ารีบรับเผื่อเรื่องมันพลาดเราก็สวยเรื่องมันเสียเพราะฉะนั้นเราต้องวิจัยไคร้ครวนพ้นได้พ้นเสียเราเสียเวล่ำเวลาไปงมงายไปทำเรื่องไร้สาระเพราะเราขาดธรรมะวิจยะสัมโพธิชเราจึงงมงายเราจึงทำอะไรที่ไร้สาระเสียเวล่ำเวลาไปกับเรื่องโงโง ยุถามจริงเนี่ยโง่เรื่องกินโง่เรื่องตามโง่เรื่องเกียรไม่ได้มองเลยวัยพวกนี้มันเป็นของมายากินดีกินแล้วขี้หมดทำไมมันต้องกินแพงโต๊ะละแสนโอ้เรากินได้เป็นเดือนเสือ ก, กินชั่วโมงเดียวหมดแสนโบราณเขาแต่งกรอนไวด้ดีถึงกินดีกินแล้วขี้ไม่มีเหลือ ถึงแต่งดีเสื้อผ้าแพงก็แค่ปกปิดเนื้อร่างกายผีถึงอยู่ดีบ้านใหญ่หลังสามสี่สิบล้านก็แค่กันแดดฝนทั้งจนมีเจ็บไข้าตายก็ดีหมดปัญหาทายามันแพงไอ้พวกโรงพยาบาลเอกชนมันเก็บบ้าเลยค่ายาต้นทุนสองพันมันแซับสามหมื่คนโบราณก็บอกเฮ้ยเจ็บไข้าตายก็ดีหมดปัญหาทายามันแพงไม่ใช่รักษาจนขายบ้านขายที่ ลูกไม่มีที่อยู่ถ้าจะมาเป็นหัวหน้าครอบครัวสั่งทํำมีไงกับถ้ากูแก่เจ็บยังไม่ต้องรักษาผึ้นมาคอยตายลงๆอยู่ที่บ้านยังไปตายขาเสียบนู่นเสียบนี่บุบปอดบุบปอคนแก่ๆตายลงๆก็ตายขาเสียบเอาไหนบอกลูกบอกหลานเลยเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยใครครวญใช่ไหมมันจะกินอะไรกันนักหนาะ ปลูกบ้านอะไรร่างกายยาววานหนาคือฟางศอกซัดก็ไปหลังละหกสิบล้านโอ้พุทธเจ้าเนี่ยทิ้งปราสาทมาอยู่โคนต้นไม้ไอ้มนุษย์ปัจจุบันเนี่ยอ้างว่าเป็นชาวพุทธโอ้ทิ้งโคนต้นไม้แผ่นดินไปอยู่ปราสาท ย, ยังก็เทวดาแล้วปลูกใหญ่ๆโตๆเป็นที่ตากอากาศทำลายอุทยานทาลายป่าไม้ โลกจึงร้อนบรรย ล, ลอินเดียตายไปตั้งสองพันละแล้วเนี่ยชาวพุทธชลทำบุญชวนปลูกต้นไม้ชนใส่ปุ๋ยไม่เอาแถมยังดายอีกเขาบอกจะมาถวายสังฆทานให้แม่เขาตายมาบอกโยกซื้อต้นไม้ซื้อปุอ๋ยถวายเถอะพอแม่กันไม่กินปุ๋ยไม่กินต้นไม้เถียงพระแล้วอย่างเงี้เมื่อไหร่โลกเราจะเย็น ไม่คิดทำบุญปลูกต้นไม้เลยแล้วดูที่พุทธเจ้าเรารักต้นไม้ไหมพุทธเจ้าประสศุที่โรงพยาบาลหรือที่คนต้นไม้พุทธเจ้าตรัสรู้ที่มหาลัยหรือคนต้นไม้พุทธเจ้าสอนสาวกตามโรงเรียนหรือตามคนต้นไม้พุทธเจ้าดับขันธมิพานโรงพยาบาลหรือคนต้นไม้แล้วทำไมไม่ช่วยกันปลูกต้นไม้เดี๋ยวก็ร้อนตายอย่างอินเดียอีกหรอกนี่ตอนนี้ก็เริ่มร้อนไหมนี่ย ขนาดที่วัดนี่มีต้นไม้เยอะยังร้อนในข้างนอกโอ้โหไม่ไหวไม่อยากออกนอกว่าต่ปีหน้าจะไม่รับงานอยู่ในวัดเย็นสบายออกข้างนอกร้อนทบตายอ้ายอมทำอะไรต้องไข้ครวนดรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำให้มันดีกว่าเกา่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยปีใหม่ก็ต้องฉลาดกว่าปีเกา่าวิสาขะปีที่แล้วกับปีนี้ปีนี้ต้องดีกว่าปี ไปใช้ปีล้มาเวียนเทียนเรากลับวินิจกเวียนเทียนเรากลับอีกเม่กี้เจอโยมไม่ฟังเทศแล้วห่วงบ้านเดี๋ยวกลับไปบอกโยอะไปถามบ้านที่มึงห่วงกูไหมไปขอเสาเสาบอกกูแบก บ, บ้านทั้งหลังไม่มีเวลาห่วงกูหรกคนเราต้องไข่ครวญบ้างต้องวินิจฉัยต้องทําวิจัยพระพริธเจ้าบอกคนทําบุญเก่ง กระคนทำบุญแบบมีวิจัยใครครวนยังไหนพุทธเจ้าสรรเสริญพุทธเจ้าไม่ได้สอนบอกว่าเราสรรเสริญคนให้มากให้บ่อยให้ทีให้เยอะแต่บอกว่าเราสรรเสริญยกย่องคนที่ใครครวนดีแล้วนำออกให้วิจัยทานนัง่งจะให้ทานก็ต้องใครกวดถึงจะเป็นชาวพุทธฉลาดถึงจะเป็นชาวพุทธที่สมกับคำว่ามีวิชา มีจารณะมีข้อปฏิบัติที่จะทําให้เราฉลาดหลุดจากความโง่การหลุดรอดจากความโง่ที่วิเศษที่สุดถ้ายังถูกความโง่ร้อยลัดอยู่แย่ yeah. กินก็งโง่จ่ายแพงเกินเหตุบ้ากามก็งโง่เปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียเยจ้าหาไว้อก้งอากา้าแค่ธรรมชาติก็เหลือเฟือแล้วยังจะเสริมนู่นเสริมนี่แล้วไปเสริมอะไรหนาอกหนาอกเน่า ไปเสริมโนนสานเน่าวตุตาไอพวกบ้าคามเสรมจนเนา่าเออพวกไม่มีวิจัยเนี่ยไปหลงเนื้อหนังไปหลงความสุขตำตำสุขที่สมองนี่มึงเดนี่จะเอาแต่สุขอะไรสุขใต้สะดือสุขบนสมองเนี่ยสุขที่คิดอะไรได้ปิ้งวินิจัยอะไรได้ปิ้งสุขเลย ภูมใจอย่างที่คิดขบตัวนี้แตกขบปัญหานี้แตกตีโจทย์นี้แตกนั่งเป็นสุขไกไอที่เราตีโจทย์แตกวิจัยวินิจฉัยปลอดโปร่งเลยที่ไปหาความสุขได้เสดืออย่างเดียวสุขตำ่ำตำแล้วก็โอ้ยบางคนนี่บ้าบอแกจะตายแล้วยังเกี่ยวหาความสุขตำตำ เขาเรียกว่าแก่จนยัแ ง, ง้มฝ้นลงยังเที่ยวแง้มคนเด็กอยู่ได้อายุแปดสิบแต่งกับเด็กเยอะเดีี๋วน้ผู้หญิงแก่ๆก็ชอบหาผัวเด็กบอ ก, กว่ามีผัวเด็กมีความีผัวไม่ดีเอแก่ตัวแป๊ดน้ำขุนๆ เ, เดี๋ยวนี้โลกเราเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆเดี๋ยวนี้มีความทุกข์งงๆธาสมมติภาพทางเพศต่ํา โอ้ยทุกข์จะตายยมว่าพระเนี่ยไม่มีสมรรถภาพทางเพศมารบกวนเนี่ยสบายไหมสบายไหมเจอใครสวยมันมาเห็นเขาเปลือกเหมืดนไปจะสวยแล้วอู๋อู๋อู๋อันไหนมันสงบก่ากันชีวิตเห็นเขาสวยแล้วต้องอู๋อู๋อู๋ตาลุกตาวาวกับเห็นสวยมันมาเห็นเขาเปลือกเหมือนมันไก่เห็นปลอย ไม่ได้หลงไหลค า, าราคามันไม่ให้ราคามันไม่มีราคาไม่มีราคากับมันเนี่ยสุดยอดเอ้าตอนนี้เกลียดทำไมมันไมงอยากบ้าอยากเป็นอุ้ยบางคนนี่แกจะตาย ย, ยังพูดมาได้ถ้ามีสมัครเลือกตั้งเมื่อไหร่จะลงทันทีเดินก็จะไม่ค่อยไหวต้องให้ประคองเข้าสภา แย่ไหมอยู่นี้แข่งขันลงกันเนี่ยถ้าแพ้ชนะฆ่ากันแย่งตําแหน่งแย่งเกียรติอะไรขนาดนั้นถูกย้ายถูกปลดโอ้มาก่อนนะครนักคนทวินเปลี่ยนสีโดนย้ายตําแหน่งเนี่ยฟ้องร้องจนนายกเด้งเลยพอทหารย้ายย้ายบานเลยงียบก็รถทั้งเมื่อสงวันอาตมาบางเอื้น นั่งรถไปไม่รู้จะทำไงก็เปิดที่เขาประชุมสภาเรื่องงบประมาณได้จ่ายโอ้ตั้งก็เกิดมาเนี่ยตั้งก็เกิดมาฟังในสภาที่เขาพูดกันเนี่ยพอเสนอนโยบายฝ่ายนึ่งก็ต้องค้านฝ่ายหนึ่งก็ต้องชำระวิจัยเชื่อมหยอมทุกคนมีแต่ชื่นชมรัฐบาลรัฐมนตรีหมดเลยไม่มีฟังเขาอีไม่มีบอกว่านั่งลง ถอนคำพูดทุกคนพูดเชียมาเลยสาธุกอยเมืองไทยเป็นอย่างนี้เป็นนั่นักรัฐบาลก่อนก่อนเนี่ยเสนออะไรพวกเหยียบเบรกหัวทิ้มจนเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยเดีย๋ยวนี้เป็นเสือกระโดดเลยจะทำอะไรสำเร็จหมดเห็นไหมตอนแรกขอกู้เงินธนาคารให้ข้าวชาวนาข่าวไม่ได้ทุกธนาคารไม่ให้เพราะทหารขึ้น เอาเมื่อไรเอาเท่าไหร่คนเราเนี่ยนะถ้าได้เกียรติแล้วได้ยศแล้วเอาเกียรติยศไปสร้างความอับยศเนี่ยมันก็แย่แต่ถ้ามียศแล้วเอาเกียรติยศไปสร้างกิตติศักในทางดีๆใช้เหมือนพลนตำรวจโทคนนั้นน่ะโอ้โหเคยจับคนก็ใส่กุญแจมือมานับไม่ถ้วนพราะแกจ ะ, กะเกษียณอยู่แล้วกุญแจมือมาล็อกตัวเอง ใช้อำนาจยดรีดไถแล้กของแกมาขายทอดตลาดสี่ครั้งแล้วยังขายไม่หมดคนบ้าอะไรทั้งบัดยดโกงเขามาไปรีกเขามาเขาใส่กุญแชมือไอ้ภาพที่เคยขึ้นลงพัดฉายพันโอ้โหสง่างามหมดเกียดหมดสักสีหน้าใหม่ใหอยตอกเลย เพราะนั้นคนเราเวลาได้เกียรติได้ยศอย่าเหลืองอย่าหลงต้องนึกว่าขึ้นได้ก็ต้องหลงได้จริงไหมต่ที่นี่ใครมียศบางยกมือดิอย่าเหลืงนะนี่นี่มีคนบ้าเกียบ้าหยดวันหนึ่งผลตีเองมาที่วัดเนี่ยทำไมาก็ติดงานแกก็พาเพื่อนมามาเขาก่อนมาจะมาต้อนรับดีเพราะว่าตอนนั้นไม่มีงานก็คุยกแก ตอนหลังแกพาเพื่อนมาอจตมาโมจะทำงานแค่มายืนบนอะไรไม่ต้อนรับผมเลยรู้ไหมผมเป็นในพนที่นี่คนเอกก็มาแล้วผนี่ตรีทำเป็นนอนกับพระอาวัตรไม่ต้อนรับโยมบ้าเกียรบ้ายศมันจะอับประยชน์แต่เ้าได้ยศแล้ว เอายอดไปสร้างเอาตำแหน่งเอาเกียรติไปสร้างเกียรติประวัติที่ดีงามไว้ประดับวง์ตระกูลและชีวิตอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าจะได้อะไรมาวินิจัยวิจัยว่ามันจะใช้อะไรได้มาแล้วจะไปใช้อะไรดันยึดได้อำนาจจะใช้ยังไงไม่ใช่เขามอบอำนาจไห น, นมอบยศไหนก็บ้าไปเลยอย่างนี้คนอย่างนี้มีแต่ติดยึด ไม่มีคาว่าวิชาและวิมุตตเป้าหมายของชาวพุทธเราเนี่ยต้องได้ความรู้และวิมุตตได้ยศมาก็รู้ได้กินได้กามได้เกียรติมารู้หมดว่าจะแตะต้องเกี่ยวข้องกับมันยังไงเหมือนอย่างที่เคยพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเรามาเกี่ยวข้องกับวันวิสาขะเราต้องรู้กี่ขั้นละรู้ว่าวิสาขะคืออะไรวิสาขะมาจากอะไรวิสาขะจัดกันขึ้นมาเพื่ออะไร แล้วเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับวิสาขะอย่างถูกต้องได้ประโยชน์อย่างไรถ้าข้อที่สี่เนี่ยถ้าเราไม่มีนะก็มาว่าเข้าไปก็กูเข้าไปก็เวียนเทียนกูก็เดินมัวไปเข้ามาใส่บาตรกูก็ใส่เขาว่าชาวพุทธกูก็พุทธพุพุทธเรื่องเขาอะไรอย่างนี้อย่างนี้ยเขาเรียกว่าแมอยากจะบอกว่าพุทธโดยทะเบียนบ้าน ไม่ได้มีวิจัยใครครวญเลยก็ตัวเองอ่ะมันจะพอได้ใช้อะไรเป็นบ้างใช้วิสาขะใช้าศาสตรสนาเป็นใช้วัดมาใช้วัดเป็นเมื่อกี้นะก่อนจะมาเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกตําหนิในเว็บมันข้างหลังเปิดมาเลยเขาวัดเหลือเส้นเดียวอะไรของมันปิดอยู่นิดเดียวเขาวัดบ้าบ่ไม่วินิจัยไม่ยึดถฐานที่บันเทิงจะไปประกวดแฉ่ชั้นอะไรกันที่ไหน แล้วเดียวนี้เน่ยนะนตกใจนี่ถ้ามันเข้ามาเมืองไทยจะสวยนะตอนนี้เราเว้าข้างบนเนี่ยนะตอนนี้มันเริ่มเว้าข้างล่างห้อยข้างล่างนะเมื่อก่อนนี่เว้งข้างบนนี่ของประเทศอะไรไม่รู้วันนั้นดูครับมันห้อยหอยข้างล่างเลยเดินสะบัดกันตุ้งติ้งตุ้งติมันไม่วินิจัยไม่รู้กาลเทศะดูจังหวะบางทีจะเข้าวัดเข้าวัแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันพอพ้นจากคาตำหนิติเตียน ดีไม่ดีว่จะสาบแช่งเหมนลูกไก่พ่อแม่ไม่สั่งสอนดูไหมที่มันแต่งตัวนคนเราถ้าเรารู้จักคําว่าธรรมวิจยะเราจะไปไหนคนแต่งตัวอย่างไงถึงจะเข้าเหมาะกับสถานที่กาละเทศะเขาธรรมข้อเนี้เราขาดหาเยอะชาวพุทธเราจึงมืดบอดไม่ตัดสุรู้ก็บเขาทักทีเรื่องหน้ารู้ก็ไม่รู้เรื่องไม่น่างมงายก็งมงาย อาจจะมาเห็นลำคานนะไปเทศเองานฉลองอะไรตัวเนี้ยนะาทาพิธีนบระเคาะกระเคิอะไรเนี่ยก็จะห้อยใ ส, ส่ศีลเต็มหมดแล้วก็ผูกที่หัวระหวา่างใสยศีลผูกหัวก็มีศีลอยู่ที่ใจเนี่ยอันไหนดีกว่ากันเบื่อมานั่งกลางนั่งเก็บนั่งคดนั่งผูกหัวแล้วกระดูกดิกก็ไม่ได้ดูหัวลุดอีกแต่ศีลรุดหัวทําทไมคนไทยจะงม ง, งาย เชื่อง่ายเชื่อได้อะไรที่ค่อนข้างจะเป็นศักดิ์สิทธิ์เป็นฤทธิ์เป็นอภิษญหารคลั่งใครกันจะตุคามรามเทพมาเอาไอ้ตุ ก, กตาลูกเทพมาเดี๋ยวอะไรก็ไม่เียมันมาม า, มาแล้วก็ผ่านไปถ้าไม่รู้กี่ครั้งแล้วจะมายุหกสิบห้านี่นะ้าจะนั่งไล่บีกันเนี่ยอุ้ยสมัยหนึ่งมันมาแล้วใครเกิดปีมะต้องทำพิธี ปีชงอะไรเงี้ยช่งนี้มันชงใช่ไหมจ้ะระยะสองสาปีนี่ชงมาไม่อยากสนใจไหมแต่ชงโอเลี้ยงชงโอวันติมอิ่มปะไปนั่งชงไหมยอยมใครเกิดปีมะตอนนั้นน่ะต้องไปทำวิธีมันฉลาดในคนต้นคิดมันไม่เอาปีอื่นเพราะปีอื่นมีปีเดียวจอเดียวกุ่นเดียวมะมันมีสีมะ มะเมียมะแมะมะโลมะสิงเยื่อบานลึกมันชท่ใจคิดเองนั้นคนที่นุ่มงายเชื่อง่ายคลั่งคล้คลัมแต่ลิศกันนะั่นไม่เอาหลักเอาเกณฑ์อะไรอ่ะตอนนี้ผ่านไปนะถ้าวันวิสาขะมาถึงเรามันนั่งระลึกทบทวน องแห่งการตัดสรูปตัวช่วยให้เกิดการตัดสู่เครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำให้เรามีการตัดสรูปโรงเรียนก็ยังมีอุปกรณ์สื่อการสอนพุทธศาสนาเราก็ต้องมีตัวช่วยเราเป็นผู้รู้ได้หลุดพ้นได้อันนี้พิเศษที่สุดถ้ามาวัดวิสาขาเราก็เวียนเทียนทาบุญกลับบ้ามีค่าอะไรวัดศาสนา มหาอะไรก็ยังให้ความรู้แต่คนเข้าไปวัดเนี่ยเดิมมันมีสถานภาพให้ประโยชน์ทางปัญญาวัดคือสถานภาพให้ประโยชน์ทางปัญญาแต่ต่อมาเนี่ให้แต่เรื่ององมงายให้แต่ยมทําบุญก็ไม่ให้อะไรความรู้อะไรกับชาวบ้านเลยก็เสียไปยิ่งไปเจอวัดที่ชวนทําบุญทุ่มสุดฤทธิ์สุดเด็ด แล้วก็หมดเนื้อหมดตัวแล้วก็บอกบุญไม่ช่วยธรรมะวิจัยะเป็นตัวสำคัญที่สุดเลยถ้าพูดกันนะธรรมะทุกข้อเนี่ยตัวนี้น่าจะสำคัญที่สุดถ้าคนขาดข้อนี้แล้วมันก็พลัดไปงมงายไม่เข้าใจไม่รู้เหตุรู้ผลอยากจะได้อะไรก็ใช้โดนบันดาลอ้อนวอน สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเกิดแต่เหตุพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเราสร้างเหตุถูกเราก็ได้รับผลที่ถูกเราอยากกินมะม่วงเราก็ต้องปลูกอะไรปลูกมะม่วงเป็นเหตุรับผลมากินเป็นผลเข้าวัดธนุบารุงศาสนามาตั้งเยอะไม่ได้ความรู้ไม่ได้วิมุติเคยติดอะไรก็ติดหนักกว่าเดิมไม่เคยติดเกมก็ติดไม่เคยติดโทรศัพท์เล่นกดก็ติด ตอนเล็กๆไม่ติดเลยเพราะตโง่ติดตรงุงตรงนางหมดเนี่ยยิ่งอยู่ยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งเสื่อตายได้ไหมยิ่งอยู่ยิ่งฉลาดยิ่งโตยิ่งเพิ่มวิชาสามารถนั้นใครไตรตรองด้วยปัญญาใครเป็นคนมีโยนิสมนานสิการโยนิสมนานสิการอยู่ในตัวเนี้ยตัวธรรมวิจัย แล้วขอเทียบไปดูนะพราหมณ์คนหนึ่งเขาฟังพุทธเจ้าแล้วก็รู้สึกมันไส้พุทธเจ้าอ่ะพูดเกินไปแค่เนี้ยพุทธเจ้าบอกใครฟังทำจากเราครบเราเป็นกาลยา น, นมิตรเขาพูดนั้นจะบรรเทาทุกข์ได้ถึงขั้นทุกข์ดับไปพราหมณ์คนนั้นเขาฟังแล้วเขาเขาก็มีความคิดของเขาอ่ะก็ก็ถามว่าพระองค์ผู้เจริญฟังพระองค์ไหลเที่ยวแล้วที่บอกว่า ถ้าได้ฟังได้คบพระองค์เป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรจะปิดิตทุกได้แล้วไอ้พวกที่มันเกิดไม่ทันพระองค์แล้วมันอยู่ห่างพระองค์มันไม่ติดจมอยู่ในทุกตลอดหรอพุทธเจ้าตอบว่าไงหน้าชิงรางวัลนน่ะไหมชิงร้อยชิงล้านก็จกักพีพุทธเจ้าตอบว่าไงพราหมณ์ไม่เป็นเช่นนั้นทุกคนหรอกคนบางคนในโลกนี้เขามีโยนิโสมนสิการ เขามีธรรมวิจารยะเขามีธรรมวิจยะเขาใคร่ครวนเขาไต่ตรองเขารอบคอบเขาก็สามารถพ้นทุกข์ได้โดยไม่ต้องพบเราอันนี้นี่ถ้าโยมเนะี่ยใคร่ครวนดีไม่ต้องมาฟังพระพยอมเทศก็ได้แต่ขอไปฟังแล้วไม่ใค่ครวนนะกลับไปโง้เตาดื้อแล้วโทษใครโย่ แต่กลับไปงูเท่าเดิมโทษใครมันคิดอเอาเองด่งนั้นธรรมวิจัยะเป็นตัวช่วยให้เกิดตัดสรู้พระพุทธเจ้ามีเรื่องนี้หนักไหมมากไหมโยมท่านใครควรเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติยังไงท่านพูดกับมารเนี่ยคืนตัดสรู้เมื่อเช้ามืดเนี่ยตอนตีสี่ตีห้าเนี่ยมารมาบอกกลั บ, บ<า>วังถอะ พิมพ์บายังสวยราหุ่นกำลังน่ารักพ่อแก่แล้วจะยกตําแหน่งกษัตริย์ให้ท่านท่านกลับเปอะมานมากะสิบท่านพูดกับมานว่าไงมานเราเครอยครวญมาดีแล้วว่าเจ้าน่ะเอาลูกรักเมียงามเอาตําแหน่งกษัตริย์เอาประสาทสวยมาผูุกรักมัดใจเรามาไล่พบไล่ชาติทำให้เราต้องเวียนไหวตายเกิด จมอยู่ในสังสารวัตรมานานแหละขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไอ้มานมันก็ดันกู้นะถ้ากัปปเจ้าเอาพระองค์ไม่อยู่จะไปเอาสาวกแล้วถ้าเอาสาวกไม่อยู่มันจะไปเอาใครพวกคุณนี่แหละบาศกบาสิกามานมันจะมาเอาให้พวกเราติดสุขติดสบายสิท ธ, ธะมองเห็นว่าสุขสบายในเวียงวังเนี่ยมันตัวร้อยลัดมัดตรึงจิตวิญญาณ ไม่ให้วิตัยอะไรออกแตกฉานถ้าคืนอยู่กับ น, นางพิมพ์า น, นางสนมสวยๆคืนอยู่กับลูกน่ารักคืนอยู่กับตําแหน่งกษัตริย์คืนอยู่แต่ปราสาทอู่สามฤดูตอนร้อนก็ไปอยู่ปราสาทที่เย็นตอนหนาวก็ไปอยู่ปราสาทที่อุ่ น, นปราสาทสามฤดูท่านบอกไอ้นี่มันโกงขังติดคุกนะยังมีวันออกถ้าติดสุขติดสบายนี่ไม่มีวันออกเลย พูนี้ฟังเป็นไหมอ่ะไอ้พวกที่ไม่ยอมมาฟังเทศเนี่ยมันติดสุขติดสบายก็เยอะแต่ด้วยเหตุผลห่วงบ้านหน้าที่ก็ว่าไปแต่ไม่มาเพราะอย่างที่เคยได้เล่าให้ฟังถ้ามาไปเทศแล้วคนแก่ก็ชวนเพื่อนเอก้ยไม่ไปฟังเพราะไม่ยอมเทศเออไปะกูอยากนอนอายุป่านนั้นได้ห่วงนอนอีกไม่นานก็จะได้นอนทาวอนน่ะไม่คิดอะไร ติดกุ๊กเนี่ยมีอภัยโทษแต่ติดสุกติดสบายนี่ตายสนิทเลยเขาบอกกรุงเทพเนี่ยนะถ้าลิบเสียไฟดับน้ำประปาไม่ไหลตายบาดยิ่งกว่าในปานเพราะมันติดสุกติดสบายจำได้ไหมที่ข้าตายแปดศพเตียงยังอยู่ที่ข้างหน้าธามาพ่อเนี่ยทำธุรกิจพลาดเอาบ้านไปจำนำ จำนำนั้ส่งดอกส่งต้นไม่ได้แต่พ่อใกล้ครวนอย่างดีถ้าเรารีบขายบ้านใช่นี่เขาสาสิบล้านบ้านหลัง6กสิบล้านขายจากห้าสิบล้านอ่ะยังเหลืออีกสิบกวาล้านไปซื้อบ้านหลังเล็กๆ5้าล้านเลื้งเงินทำธุรกิจอีกสักเสียละตอดปรึกษากับลูกสาวเปลี่ยนมหาลัยอยู่ปีสี่คนหนึ่งปีสามคนพอพ่อจะขายบ้านใชนี้ เพื่อลดระดับหน่อยแต่เราจะอยู่รอดลูกสาวร้องไห้โอ้เลยพ่อเพื่อนหนูมานะ่ะมันชมว่าบ้านใหญ่บ้านโตหนูก็ปลื้มใจสบายได้หน้านได้ตาแล้วไปอยู่บ้านหลังเล็กเพื่อนไปหนูเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนนะพ่อพ่อเครียดคิดไม่ตกเลยตีหนึ่งพระเปินกรหมอนย่องก็ไปในห้องลูกสาวหมอนแปะทีนะ่หน้าผากเอามายิ เก็บเสียงแล้วก็ไล่ญิงแม่ยายยิงเมียยิงคนสวนคนขับรถแล้วตัวเองรวมไปเสด็จแปดศพเนี่ยก็เตียงมาให้เลือดเต็มเลยมาใช้รับแขกอยู่ข้างหนา้าไม่เป็นไรปัดหลังฟาลลนแล้วกลัวมันโยมหนอกใครต า, ตายตายไม่ใช่แล้วมึงไอ้ขวเอาอะไรโยบสองข้อนี้ก็น่ากลัวมันจะดึกนะ คือจะไล่ไปทุกข้อทุกข้อทุกข้อแต่ไม่ขยี้ให้ละเอียดไม่เจาะให้ลึกไม่อพพลายให้มันแจม่มแจง้งจะกลายเป็นว่าเทศรหลายขอ้อแต่ไม่แจม่มแจ้งสักขอ้อฉะนั้นแล้วเมื่อธรรมวิจยะดีเนี่ยท่านบอกว่าโพชิชงข้อที่สามจะตามมาสนับสนุนอย่างยิ้ยมยุดคือวิทยะสัมพชง พอเราวิจัยเราใคร่ควรแล้วว่ามันต้องอย่างนี้สร้างเหตุอย่างนี้มันผลออกมาอย่างนี้เราก็จะเกิดทุ่มเทไม่หย่อไม่ใจเสาะไม่เปราะบางที่จะทำให้มันสาเร็จวิทยาก็จะตามมาความสาเร็จมันอยู่ที่ความพยายามเขาเคยพูดคำนี้ได้ยินไหมความพยายามอยู่ที่ไหนมีอารมณ์ร่วมหน่อยที่ดึกแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความ ตบมือหน่อยออมีอารมณ์ร่วมมังให้พระคายเหนือห่อยพึ่งยุดเดินนั่งหลับ <c oughs> ไม่ไหวเนาะนี่วิริยะสัมโพชงคือเป็นคนที่รู้สึกว่าคว า, ามเพียรเนี่ยมันเหนือกว่าอะไรที่จะได้เปรียบใครต่อใครได้ด้วยความเพียรความเข้มแข็งความพยายามคว า, ามบากบัน่น สู้กิจไม่ยอมท้อต่อ ก, กิจถึงแม้ว่ากิจนั้นมันจะหนักจะยากจะลำบากไม่ท้อไม่ยอแม้เมื่อสองสามวันทมารู้สึกไปเทศขนมเสร็จไปเทศบรร น, นาเดิมเสร็จก็ามาเทศหมอชนโมกเสร็จขึ้นไปอุดรบืดกลับมากรบินบุรีรู้สึกหนักมากแต่ เราเป็นคนตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ทอ้อเรื่องงานเผยแพร่เรื่องงานสงเคราะห์เรื่องงานพัฒนาเป็นกิจที่เราต้องสู้นั้นรประยองไม่ทำงานเผยแพร่สือว่าประสบความสาเร็จไหมเทปเคยขายได้40ล้านตลับ40ล้านตลับนะรุ่นโน้นะดังรุ่นเดียวก็สายันสัญ ญ, ญา เทปสมัครชนทนเวทกับเทพปพิพยอมขายในตลาดขายผงบันไดขายหนังสือพิมพ์เด็กที่มีเงินซื้อที่ได้ได้จากขายเทปขายหนังสือเนี่ยสิบยี่สิบล้านได้ยังไงเงินพันเจ็ดรอยล้านที่ซื้อที่เก้าสัการสิบล้กมันก็ได้มาจากกิจงานเผยแพร่กิจงานสงเคราะห์สงเคราะห์คนๆต้องเคราะหมาสงเคราะห์วัวไก คนก็เอาอาหารมาให้มันก็มีคนลักสัตว์อยากสงเคราะห์สัตว์ให้อาหารสัตว์แล้วพัฒนาอาชีพคนคนเนี่ยพัฒนาันปลูกอะไรเป็นสร้างอะไรเป็นเดี๋ยวนี้ผลไม้เต็มไปหมดยังไม่กี่วันทุเรียนจะออกยอบบังคุดก็จะออกยอบนั่นด้านพัฒนาอาชีพถือว่าประสบความสเร็จไหม เรื่องเศษรษฐกิจพอเพียงพระประยอมทำพอจะเป็นตัวอย่างให้ดูได้ไหมลาวก็มาดูแล้วมเมนก็มาดูแล้วเศรษฐกิจพอเพียงเอาขยะมลิยุทธรีไซเคิลปีนี้ขายขยะได้เท่าไหร่เจ็ดสิบเกล้านบริษัทเขาเจ้งกันนะแต่มาบีโบนัสใหพนักงานสามรอบวันเกิดห้าธันวาวันพ่อปีใหม่ ให้พนักงานห้าหกล้านใะปีนี้ให้ทุนการศึกษาเด็กเมื่อเทิมนี้ตอนเสมเมอร์ปิดเทอมสามล้านถืรู้ว่าทำเลไหมเออเขาบอกงี้คนที่มันจะได้ไม่น้อยหน้าใครไม่แพ้ใครเนี่ยมันมีสามตัวตัวหนึ่งชาติตระกูลสูงตัวหนึ่งการศึกษาสูงอีกตัวหนึ่งความเพียรพยายามสูงอัตมาพลาดสองอย่าง ชาติกูลนี่แม่ไม่มีเชื้อพระองค์เลยเกิดทางวังแล้วเกิดเกิดไผนะระถุมทานนี้การศึกษาก็พลาดอยากเรียนถึงมหาวิทยาลัยถึงมัธยมแต่แค่ปลอดสีพ่อบอกยอมก็ไม่มีตังค์ส่งบุญเรียนออกมารับจ้างรับอ่อนก็แต่เหลือตัวเดียวคือความเพียรพยายามพลาดสองเหลือหนึ่งยังเอาตัวรอดได้ไม ไอ้พวกชาติตระกูลสูงขี้เกียจโดนแดดก็ไม่ได้เหนื่อยร้อนไอ้พวกมีการศึกษาสูงไม่ค่อยทําประโยชน์อะไรในแต่เรียนไปวันสนุกกับเรียนเรียนเพื่อจะได้พบแฟนบ้างเรียนเพื่อจะเป็นข้ออ้างเอาเงินมาใช้บ้างก็จะไปอยู่ห อ, อพักสบา ย, บายพ่อแม่ไม่ตามดูตามแะไอะไรเงี้ยแต่ว่าเรียนจบแล้วไม่มีความเพียรที่จะทําประโยชน์อะไร ไม่จับงานจับการอะไรกิจอะไรสักชิ้นหนึ่งจับก็ทอ้อมีเยอะนะพวกเรียนแล้วท้อเนี่ยไปทําอะไรอยู่กับแคแป๊บเดียเอาเลยทงานที่ไหนละ่ะมีคนแก่มาเดินร้อ ง, ง่ายอยู่ตรงเนี้ทำาม่ยอมสองวันแล้วเดินร้อ ง, ง่ายเนี่ยคนไม่ไหวนะมาก็เลยทำว่ายอมมาเดินร้อ ง, ง่ายแต่บ้านผมจะหลุดแล้วเอาเป็นไร คือผมกัดฟันสงลูกเปี่ยนสองคนจบปริญญาโทมันไปทํางานเจ็ดวันเดือนส อ, อ, อ, องเดือนออกเดือนสองเดือนออกแล้วก็มาเกาะแกกินไม่ช่วยถ่ายบ้านบ้านก็จะหลุดแกก็ร้องไห้ลูกไม่มีฟันเพียรจบปริญญาโทถ้าเป็นเรานะบมันครั้งมันพูดว่าไงรูไหมมันบอกปริญญาโทมันต้องหมืน่นห้าถึงสองหมื่นเาให้หมื่นสี่มันไม่เอ า, า 40, เกาะพ่อกินจนบ้านหลุด จนพ่อเดินล้อง่ายหรอกไปรู้นะใครไม่เห็นก็คงไม่เชื่อแตอมาในทำงานตีหนึ่งตีสองตีสามแล้วบางทีแปลกนะดึกดึกเราไปเดินคิดอะไรมันแกลกออกมาเนี่ยตอนวิเวกเนี่ยถ้าเราจะอบรมบ่มเพราะพวกพจนชงเนี่ยมันต้องอาศัยวิเวกถ้าคนเยอะๆยะกวนนู่นกวนนี่ ไม่เคยคิดอะไรไม่ออกแต่ถ้าเดินคนเดียวยบเงียบดึกๆึก ก, ก, ก็ไปในนี้ภัยล่มเย็นคิดไปคิดมาปึ้งคิดไปคิดมาปึ้งจดบันทึกเราทเนี่ยตอนนั้นคิดเรื่องคนแก่อีกสิบเอ็ดปีเนี่ยคนแก่จะมากกว่าหนุ่มสาวเพราะคนแก่รุ่นก่อนไม่ได้คุมกำเนิดแล้วเกิดมาแก่ช่วงนี้พอดีแล้วหมอดูแลดีด้วยเลยคนแก่ไม่ตาย อยู่จนงบประมาณแผ่นดินไม่พอดูแลามาเห็นอะไรในบางทีอยู่นี้แปลกนะคิดปิงง่าย้วยเกินเห็นก็เล่นไอบักเก็ตเอาน้ำแข็งหยอดหัวลดหัวแล้วก็ก็บริจาคกันเท่านั้นเท่านี้อุณหภิจบริจาคตั้งห้าแสนน้ำแข็งลดนี้เตียมันมีหน้าคับอยู่คนนึงมันเอาน้ำแข็งใส่กระ บ, บวยแม็กโคกเท่าแก่กวนี้มันก็ยืนคอย ให้อีกคนหนึ่งขึ้นเทน้ำแข็งไอ้คนนี้ดันผ่าเหยียบเกียร์พิดน้ำแข็งมาเทดันลงทั้งกระบ u o y สวยตายเลยเลยไม่ได้ทำบุญอามาก็เลยเอ๊ะเดี๋ยวเราคิดดีไหมทำน้ำกายตั้งกองทุนผู้สูงไว้ยเพพ๊บเดียวตอนนี้ได้เก้าแสนแล้วยิ่ไม่นานถ้าตายชา้าก็หน่อยได้สักสิบล้านแต่ถ้าตายเร็วก็กำมืงแก่ แต่แค่ไหนก็แค่นั้นเนี่ยคนเรานะเห็นอะไรมันมีเรื่องอะไรช่วยวินิจฉัยแก้ไขปรับปรุงเดี๋ยวเธอมันจะเป็นคนที่ปิ้งวินิจฉัยแล้วก็จะเกิดความพยายามจากไม่ท้อต่อปัญหาปัญหาก็มีให้แก่ไม่ใช่มีให้กลุ้มเราจะพยายามแก้มันเลื่อยไปถึงมันจะยากลำบากมีคนชอบมาถามมาตมาว่าท่าน พระทำนู่นจะมีเสียหายเลยท่านยังบัเวเผยแพร่เยอะท่าไม่เหนื่อยไม่ทอ้อบ้งอหรคนมันโง่เนี่ยนี่มันชอบทำแบบนี้ยอมถ้าพระทำดีกันหมดอาตมาต้องเหนื่อยวันนี้ไหมถ้าพระเก่งๆทำเรื่องดีๆหมดเราจะทำดีต้องแข่งกันหนักใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่ดีเนี่ยเราแซงง่ายเลยจริงว่าแต่ทำดีนิดเดียวเขาก็หาว่าเราดีเยอะแล้วเพราะคู่แข่งเรามันแย่ลง ถ้าคู่แข่งเราดีกว่าเราดเราหนักเลยไหมเออถ้าเราวิ่งแข่งกับไอ้คนที่วิ่งขาไม่ดีกรเพกกรบเพกเนยสบายใจได้แต่ก็อย่างโง่มันเต่าก็ก็ตายดันพาไปนอนซะก่อนอเต่าก็ขานเดินไปตรมเทียบผลที่สุดนิทานเรื่องนั้นใครถึงก่อนไอ้เต่ามันมันรู้มันเดินช้าจะมันพยายามไม่หยุดไอ้นั่นดันนอนพักถือว่ากูกระโดดเร็ว เนี <N ee> ่ย <a> นั่นคนเราเนี่ยถ้ามีความวิทยาศาสะถึงจะแพ้เขาสองสามเรื่องแต่มันต้องจะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราควรเอาชนะได้แพ้ชาติตระกูลแพ้การศึกษาแล้วเรื่องความเพียรเนี่ยมาอยู่ที่ตัวเราของอยู่กับเราอะคํมมันออกมาสิอย่าไปนอนงอก่องอขิงท้อแท้ใจสอะเปล่าบางทำไมไม่รู้ใครอยากทำเสียทาไป ถ้าเราจะทาที่มันเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดี่จะซื้อที่ไห้คนยากคนจนให้มากที่สุดจะสอนให้ประกอบอาชีพให้เขาฉลาดพึ่งตนเองได้ไม่ต้องไปโจรขโมยฉกจริงวิ่งลาวให้เขาประกอบสมมาอาชีพพัฒนาเขาขึ้นมาให้มีฝีมือแม้เมื่อสวันนะนั่งปลื้มนะอัตมาส่งคนไปเรียนท่าปิงต่อกิ่งตมามเนี่ยไอ้คนนี้มันจับอะไรเนี่ย เดี๋ยวนี้มันทาบต่อต้นไม้มาขายได้บานเมื่อก่อนนี้ขายพันไม้ที่วัดเนี่ยเดือนได้สองหมื่นตอนนี้เ ด, ดเทาที่เท่าไหร่เท่าไหร่แปดมื่นเก้าหมื่นแสนขายกิ่งไป่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคืนนี้เขาไปเอาแหละถ้าออกมาเที่ยวนี้นะถ้าใครได้ชิมนะไม่ซื้อกับประหลดัดไผ่ลวกห อ, อมใครฟังยังไม่เช้าไม่ได้มาใช่ไม มันมีกอไผ่ยอยู่กอหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเลยนอออกไม่ได้นอออกมาหนูกินตะพึดจนคนดูต้องกออื่นละ่ะไม่มีกินเลยแต่กินอยู่กอเดียวก็ไปเก็บกินโหยมันกรอบหอมก็ เ, เลยขยายพันธุ์รวยเลยเป็นครูเนี่ยแตมาสั่งซื้อพันธุ์กิ่งเขาขายกิ่งสามร้อยแต่พอรู้ว่าแตมาก็ลดให้เหลือร้อยห้าสิบ แต่ให้ค่าน้ำมันไปเอาละสี่พันรถเราเองถ้าใครอยากได้ก็สามร้อยเต็มเตเอา้าค่าน้ำมันค่ารถชำรุดต้องคิดรอบขอบดิแหมลองเอามาจิ้มไอไสปานะมันเหมือนมันแก้วมันเหมือนยอดมะพร้าวอ่อนน่ะไม่มีฝาดมีฝืนไม่มีขมมีคืนเลย มันกรอบอร่อยมดเดี๋ยวนี้เขาบอกไอ้ตัวเนี้ยเขาทักชักเป็นเส้นเส้นแทนมะละกอทำส้มตําอร่อยกว่ามะละกอเดี๋ยเถอะส้มตําหน่อไม้เนี่ยนั่นคนเราเนี่ยนะพยายามคิดพยายามทําพยายามต่อเติมความรู้พยายามเติมความรู้ ที่บอกแล้วมีโทรศัพท์ไม่เติมเงินมันจะใช้อะไรได้มีรถไม่เติมน้ำมันมันจะวิ่งไปไหนได้มีชีวิตไม่เติมความดีความงามบุญกุศลกินบุญเก่าหมดมันจะอยู่ยังไงไม่รู้แต่มาคอยเติมให้เรื่อยในสังคมนี้ถ้าชาวพุทธมาวัดสวนแก้วพระพยอมไม่เติมความรู้เลยความหม่มันจะยังไงวัดนี้คือวัดอะไร คือวัดรับอย่างเดียวไม่ได้อยู่ไม่ได้อายเขาเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายชาติพระออต้องทำเอาลนะโยมกี่ทุ่มแล้วฮะสองทุ่มสี่มาดีมานะดีเบื่อยังโยมไม่เบือ่อฉันจะขอเบื่อโยมก่อนอะจะได้เวียนเทียงกัน เดีย๋ยลูกเด็กๆมันไม่ประทับใจพระเท่าไหร่หรอกมันเริ่มเอียงพิงพอ่อแล้วมันก็จะเริ่มกระซิบเมื่อไหร่จะกลับจะทีแล้วอย่างหนึง่งถ้าเด็กๆมาเนี่ยแล้วพระเทศนานมันลาคาญมันเบือ่อแล้วเข้าน้าจะมาไม่ยม่มเราก็ต้องทางสายกลางเนื้อแต่มาเคยสังเกตนะบางวัดเนี่ยแม่ขาวเนี่ยคนเก่าคนแก่ นึกจะสวดมนต์สวดทีายาวเลยไอเด็กก็นั่งบทเมือยแลย้วมือยอกพิกไปพิกมาจนเกิดหลานจมได้ไหมที่เคยเล่าหลานยายสวดมนต์ยายก็พาหลานสวดมนต์ทุกคืนทุกคืนทุกคื น, คนแล้วแต่ละคืนก็เห็นน้ำโมทุกเทีสาจบสามจบหนักๆมันเบื่อมันบอกยายเอางี้ไม่ได้เลยน้ำโมตอสบะวัตรห้โตสมาสัมพุทธัสมมสะอีกสองจบเหมือนเดิม มันยอมนยอคนที่ทําอะไรมากๆซ้ําๆไม่ได้เบื่อเร็วไม่ค่อยดีต้องพยายามทําบ่อยๆทํามากๆพ า, าวิตาพระอุลีกตาทํามากทําย้ําทําซ้ําทําบ่อยด้วยวิทยาอุตสาหะด้วยความเพียรพยายามด้วยคว า, า, า ม, วายายามบากบัน่นมุ่งมั่นไม่ใจส่ะเปลาะบางท้อแท้ อ, อ, อ่อนแอเนี่ย แต่มาอยังนึกสร้างโนเซอรีไว้ให้แม่เพราแม่แกขยันจริงๆมีความเพียรจริงๆนอนกับแม่น้องพอตกดึกเดินไห่แม่หายทุกทีน้องรองก็พาไปหาแกฟันดินกังกืนหลังบ้านปลูกกล้วยปลูกก้อยลูกกินพอเราเห็นแม่ก็ตะโกนเรียกแม่น้องรองเราขึ้นมานอนกับแม่แกก็ตะโกนสวนว่ายอมไปนอนเป็เพื่อนน้องให้แม่ก่อนสิเดี๋ยวแม่จะมุ่งมัน่นฟันดินปลูกกล้วยปลูกก้วยให้เองกิน จะได้ไม่ต้องไปยืนดูปากลูกคนอื่นเขากินแบบนะไอตอนที่จะมาจะคิดทำดํำลุศนะุรีเนี่ยตอนนั้นมาเลี้ยงเด็กกาําล้าเยอะเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ต้องปลูกกล้วยปลูกอ้อยมันกินปลูกไปปลูกมาเหนื่อยพอเหนื่อยก็คิดถึงแม่เพราะแม่เราปลูกกลางคืนห้เราปลูกแต่กลางวันแกต้องเหนื่อยกว่าเราไหมแกต้องใช้ความพยายามมากกว่าเราไหมเราเป็นเลือดเจืนอเจอร์ไข่แกเนี่ย ต, ติดความพยายามมาติดเดียว ไอ้ลูกกี้คลอกไอคิดเลยตื่นมาน้ำตาไหลเลยห้าสิบกว่าปีพอเอินเขามีหมอนไปเทศโคราชมันไปผ่านไอ้หมู่บ้านด่านเฟียนตอนนั้นเขามีพธีปั้นดินเผาเยอะเลยแวะถามก็อยากทำนุชโซลีแม่จังทำได้ไหมเลวพอเล่าให้ฟังจุดเด่นเด่นโอ้ยอย่างนี้ได้พอเล่าให้ฟังทำได้แปเท่าไหร่ขอสักห้มื่น ปั้นเลยยุจะเทศผ่อนสองไม่ต่อรองเสร็จเราก็มาตั้งไวก้กลางหลังใครไปดูมาบ้างเนี่าถ้ใครไปดูพระจันทร์เดือนงายแม่ถือจอบฝันดินแม้มันทำได้อารมณ์โดนใจแต่ว่าตอนนั้นตั้งไวก้กลางแก้มไอ้คนมาก็ชอบว่าพ่อทำไมปล่อยแม่ตากแดดอย่างนั้นก็เลยทำหลังขายแม่หมดไปอีกสงแสน แ, แม่คืนในบ้านเลยไอ้ภาพนั้นนะตอนนั้นนะใครมาอยากซื้ อ, อยากขออยากอัดอยากถ่า ย, เ, ยเราก็เลยไปติดต่อร้านทําภาพอะไรเขาบอกว่าหลวงพ่อทําน้อยทํามากนะถ้าทํามากมันก็ถูกจะอัดเลยจะห้าแสนที่เหลือสองบาทแต่ถ้าพันสองพันก็ต้องสิบ้าบาทคุยมันต่างกันเยอะสัดไปหกแสนเลยสองบาทมาขายห้าบาทเกียดทอนได้กําไรเป็นล้านแปด แม่ให้สู้เพื่อแม่ไอ้บ้านั่นไม่สู้เพื่อพ่อเลยอุ้มพ่อมาทิ้งได้ถ้าเป็นนตามาไงไม่ทิ้งเด็ดขาดยอมแม่ตา ม, มาตายไปหลายปีแต่ทรงกันในตามาใช้ไม่หยุดเชื่อไม่เชื่อมีบัญชีผีไหมแค่ทรงมาทางคาสอนนั่นแหละยอมมึงจะต้องยอมลาบากเมื่อหนุ่มดี่าไปทนกุ้มตอนแก่ ม่ต้องขยันให้เงือออกทางขุมขนดีฟากิเกียดเราอยากจนน้ำล้นออกทางตาเมื่อแปดเก้าปีจำได้ไหมน้ำมันเขาเทกคนี่แต่มาเป็นพีเซ็นเตอร์ช็อตนั้นก็ให้ล้านแ้วต่อมาอีกสองปีไอ้คนถูรถสิบล้อแล้วมันพึมพัมพึมพั ม, ม, ม, ม, มทำอะไรใจอ่าทอ้อท้ออย่าถอยถอยอย่าถอนปักหลักสู้ใหม่ทำอีกอยอะสเร็จอีกร้านนึงแล้วก็ให้น้ามันทานน้ามัน ใครเติมตอนนั้นนะ่ะใครเติมน้ำมันเคลาอเทคลิตหนึ่งก็ตัดไว้ประมาณสามตังวันล้ทีละสองแสนสามแสดใครมีรถก็ช่วยเติมเกลาเทกหน่อยะะจะได้ได้ไปเรื่อยๆโยมถ้าโยมไปดูตามสาขาทุกสาขาที่จะมาไปทำนะเนี่ยสังเกตไหมพระพยนต์ดำไหมตากแดดไปเรียงหินเลียงเสคนก็เห็นว่าโอ๊ยท่านทำเองงี้เลยเหรอ เนี่ยยังไม่เห็นตอนกลางคืนนะไม่โดนแดดไปอยู่ดึกนะบางวันเนี่ยทำจนเดินขาสัน่นใจสัน่นอามามักจะไม่ค่อยเอาเวลาเป็นเกณฑ์แต่เอามืนเป็นเกณฑ์พอมืนก็พักมันถึงได้สาเร็จมาเป็นอย่างนี้เก้าสากาสิบสากาไปตากนี่ร้อนบันลเลยรยมช่วงนั้นร้อนร้อดจริ ง, รงๆแดดนี่ปบปบปบปบโอ้โหเอาผ้าจีวรฉุบ วาคนหนูชุบโขกหัวแต่ตอนตอนคนไม่อยู่นะไปเลี้ยงหินร้อนะนึกในใจไม่อบเมันก็ทำได้สำเร็จเก้าสาขาสิบสาขาหน้าพอใจหน้าพอใจถึงไม่ได้เป็นพระอาหนร์ก็เราได้ทำอะไรให้คนหลุดพ้นจากความยากจน เรามีประสบการณ์มีความรู้ที่จะทำให้เกิดวิชาให้รอดพ้นจากความยากจนเนี่ยเอาละโยยังไงเนี่ยคอยมีธรรมะเอาแค่เนี้พอสามข้อปีหน้ามาต่อก็ได้นะไม่ใช่ซัดไปเจ็ดข้อกลับไปรุดหมดให้ค้างติดกระโลกไปบักงเนาะเท่านี้เอา ขอขอวยพรให้ทุกท่านจงมีเครื่องมือมีตัวช่วยที่จะทําให้เกิดวิชาเกิดวิมุตต์ให้สมบูรณ์เป็นผู้รู้ไม่ต่างห่างจากพุทธเจ้าจนมองกันไม่เห็นฝุน่นคอยได้เดินตามรอยห่างพระองค์พอได้ยินเสียงฝักมือเรียกชาวพุทธอย่าห่างจนฝักมือเรียกไม่ได้ยิน ขอให้เวลได้ยินเสียงว่ามาทางนี้เถอะรู้มาทางนี้จะรู้มาทางนี้จะหลุดก็ขอให้ทุกคนรีบรู้รีบรุดอย่าเที่ยวติดนู่นติดนี่ตรงตุ ง, งนั่งไปหมดด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน